มันห้อนห้อนแบบอบทางนอกแข็งเข้าไปเลยห้อนแบบวาบวานะับน่ะเหตุเหตุอย่างไรล่ะเอาอยู่ในไตฟ้ามันห้อนแห้งไรกันแนนะ่น่ะลงหมดหนามหวยล่างนะ่ะถ้าไขรร้อนมากกันกระโดดลงน้าหวยลางนะ่ะลงไปแช่อย่างนั้นนะ่ะกไปอยู่ให้ตัวเองตายไม่ได้นะบางคาาั้วเห็นไห้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 อยู่ในหลักธรรมวินัยอยู่ในวินัยคืออยู่ในกฎหมายกฎหมายสง์พระสงฆ์มีกฎหมายกติกาคดบังคับให้ปฏิบัติทังที่ทั้งทีทั้งทีนะอันนี้ก็คือพระวินัยวินัยสำหรับพระสงฆ์อยู่ด้วยกันพระวินัยเนี่ยวันมีสองรอยยี่สิบเจ็ดข้ออันนี้วินัยวินัยใกล้ตัววินัยตายตัววินัยประจํา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 เออเฮ็ดอยัางตรงประเขีนจกักรอย่างนี่แหละเอี่สอนว่าในพวกนากตีเข่ามากมากเกิคือทอดบ้านเยอะเลยขี่เสาะอยู่แล้วม่นว่ลเอาไปมากเกิดว่าผมโบวบดออกครับเออผมบวชเฮ็ดปฏิบัติบัวใดดอกแข่งคัดเกินไปเออเอาไปมากเลยหาผู้บวชบัวใดทั้งที่นิสัยหมักผลนิพัานมีอยู่แต่ว่าพระพีเรียงสอนกฎระเบียบก่อน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 ก็คิดว่าปฏิบัติได้แต่พรอพอมาบ่าเรื่องพ่อวินัยเขาไปหนโอ้ยพอปันจุงเขาลักหนีบบาทเนียวจะนี่ยกระลุกกระดิกบได้เล่ยบาดเนียวนี่ยอันนั้นก็พิษอันนันก็พิษอันนั่นถ้ำวไรอันนี้ถ้ำวไรขา้าน้าเอผมหลงผมลืมละ่ะเ็ดยังไดเอมันก็เป็นบาปแหละเนี่พนยพิษวินัยพิษศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยผมเฮ็ดบได้ขันติละเอียดทีถ่วนปันหนี่วะน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 สรวินัยบ้านคือกฎระเบียบในการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ตอนนี่เขารับบ่อใดเขาอยากบอกว่าเขากลัวพิษวินัยกลัวบาปเขาเลยอยากศึกพระเจ้าข่านะ พ, พระพุทธองค์ก็เลยถามว่าเป็นอย่างไรพระใหมยย่โยนเธอคิดยังไงโอ้ขาพระองค์อยากได้บุญหลายทีแรกเลครูบาอาจารย์แนะนำกับปฏิบัติตาม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 ให้คิดเป็นในทางที่ถูกต้องคิดเป็นสัมมาทิทฐิอย่าไปคิดเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปคิดร่างแก่ผู้อื่นอย่าไปคิดเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอะอย่าไปคิดในสิ่งที่มันบอดีคิดในสิ่งที่ดีเสรุปแล้วก็คือให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอย่าให้เผลอการจะยิบการจะทาการจะพูดยังก็ตามให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดนกน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 ว่าเราเป็นพระเราเป็นพระเราเป็นพระเราเป็นพระเราเป็นพระเราเป็นพระ เ, รเนะนะี่ยอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดในสังเชียงที่มั่นโบดีอย่าเห็ดย่าพูดยาทํำนี่เพราว่าคิดตีแหละมันกับมันที่ออกไปทางใดมาดบ้านนะี่ได้ไหมรักษาอันเดียวได้ครับเพ่อนเนี่ยเออไปรักษาอันเดียวเด้อครับผมผ่ามาอเนี่ยก็ออกมาจากเพลิงเบิ้งเจ้าของแล้วเบิ้งใจก็เจ้าของบ้านนี่ ว่าได้รักษาของอื่นนะเบิ้งรักษาใจอย่างเดียวบอน้านี้ผ่านเนยเนบิ้งใจเนี่ยเนบอละใจเบิ้งก็คือเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากใจน่ยใจเป็นไนใจเป็นหัวหนาทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งมัดผ่านเนี่ยอีกบอหนานเพนก็เลยสําเร็จเป็นพระอรหรันเพราะเพิ่นรักษาใจของเพิ่นเนี่ยชำระใจของเพิน่นใจของเพิ่นรุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้เป็นพระอรหรันนี่แหะ พระโพธิเจ้าเนี่ฉลาดอิหลี่คนไปฉลาดในการสอนพวกเขาคินปังโน่กระเมนเท้านี่ยมดคว่ำคืนดีเด้กระเมนลูกนอกจากซื้อกองเฮ็ดยังไดรละ่ะเนี่ยพระวินัยเป็นอย่งที่ซื้อคือซื้อนทนแล้วเนี่ยเทากันรักษาวินัยขึ้กันเจ้ากันรักษาวินัยเจ้าทีออกนอกลูดนอกทางบ่รักษาวินัยกี่เฮ็ดยังไงฮะไอแต่พระโพธิเจ้าบอกว่าเออบ่ต้องรักษ า, าเนี่ย ม, อออมันยากนะอรักษาอันเดียวก็พาะรักษาใจเท่านั้นละภาวะนะกันรักษาใจอย่างเดียวนะ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 หลับพร น, น, นะเจเนนอนุโมทนาให้พ่อ